เพราะความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประโพธิยานในวันนี้ก็คงนำข้อความที่พระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าให้พระภิกษุทั้งหลายฟังถึงการศึกษาค้นคว้าแสวงหาทางศัสรูของพระองค์ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าทางเหล่านั้นในการต่อมาก็กลายเป็นธรรมะที่ ทรงนำมาแสดงชี้แจงสั่งสอนแก่ปุถุชนศาสตร์โดยวิธีต่างๆโดยปริยายคือในยะหนึ่งในยะหนึ่งบ้างหรือโดยนิประยายคือแสดงโดยตรงบ้างเพียงแต่ว่าในยุคสมัยที่ก่อนจะศั ส, ะสะรู้มีความไม่ชัดเจนผลการศึกษาค้นคว้าจึงจับตรงโน้นที่จับตรงนี้ที่ดูตรงนั้นทีดูตรงนั้นทีนนทนนทแล้วในที่สุดเนี่ย เมื่อจะสรุแล้วก็ทรงเห็นว่าทางทั้งหมดที่ส่งศึกษาคนา้นคว้าทดลองมาแล้วเนี่ยนันเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและ ก, กันเดี๋ยวก็เกื้อกูลต่อการบรรลุผลสูงสุดในฐานะนั้นๆได้นะฮะในฐานะของสีระดับของสีระดับสมาธิระดับธรรมะทั่วไประดับปัญญาและระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงบรรลุมรรคนี่ผ่านได้ มนเป็นลักษณะของทางสารพัดทางแต่ว่ามีจุดบรรจบใล้ๆกับว่าคนทุกส่วนของประเทศไทยก็ตกลงนัดหมายกันว่าจะพบกันที่สนามหลวงที่กรุงเทพมหานครตอนเ อ, อกเดินทางนั้นต่างคนต่างก็มาก่าละทิศ ท, ทางกันแต่พอมาถึงสนามหลวงแล้วก็ เ, เป็นสนามหลวงเดียวกัน ผลการปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะอย่างนั้นก็เริ่นขึ้นอยู่กับปริยายอะไรเราสังเกตว่าบางครั้งนี่สทรงใช้คำไม่มากเช่นเวลาพูดถึงพรหมจรรันทร์ก็พูดถึงการสำรวมการละการคลายกิเลสแล้วการดับกิเลสก็พูดแค่สี่อย่างหมายความว่าใครจะปฏิบัติโดยวิธีใดก็ตามถ้าว่ามันเกิดเป็นความสารวมระวัง ลผลจากการสํารวจนั้นทําให้แต่ละ ก, กิเลสไปเรื่อยๆแล้วจนปราศจากความกําหนัดด้วยแรงของกิเลสโดยพิสูจน์ได้ยังไงอ่ะพิสูจน์ว่ามันดับความทุกข์ได้คือความทุกข์ที่เคยมีซึ่งสืบเนื่องมาจากกิเลสมันก็ได้หายไปนั่นก็ถือว่าถูกต้องแต่ว่าปริยายในการนํามาเสนอมาสั่งสอนเนี่ยก็ไม่จําเป็นเดี๋ยวต้องใช้คําอย่างนั้นเสมอไป นะเช่นว่าที่ทรงแสดงไว้ในธรรมจักรกับวัตนสูตรตอนต้นที่ทรงใช้คำว่าจากขุกรณีญานากรณีอุปสมายายัยะาปิญญาญาสมบุตรฐานานิบานายาสมวัตติมันก็ข้อความก็เท่ากันจากขุกรณีคือสร้างดวงตาคือญาณให้บังเกิดขึ้นนะไปในใจและญาณนากรณีก็ทําญาณหรือความรู้ซึ่งก็ตรงกันข้ามกับความไม่รู้นี่ให้บังเกิดขึ้นก็แสดงว่าเมื่อไฟสว่างเขาเกิดอถึงไฟมืดเขากระดบ เพราะาสิ่งทั้งสองนั้นจะปรากฏร่วมกันในจุดเดียวกันในขนาดเดียวกันไม่ได้ทีนี้เมื่อมันสว่างแล้วกิเลสก็สงบเรียกอุปสมายะก็ได้ลิ้มรสของความสงบเมื่อเกิดอิทธิบาททั้งสี่ประการขึ้นมาแรามีความพอใจช้าความเพียรพยายามมีความมุ่งมั่นแล้วก็สัมบัติผลลึกซึ้งขึ้นไปโดยลาดับก็รู้ว่าไอ้ตัวความสงบเนี่ยมาจากความรู้ ก่อยเร่งความรู้ขึ้นไปจนอภิญญาญาเป็นความรู้ยิ่งขึ้นเปยิ่งยิ่งขึ้นถึงจุดหนึ่งก็เป็นสัมปทาญาคือจัจสรูพอสัจสรูก็ดับหมดเลยทั้งกิเลสทั้งทุกข์นิ้ผ่า น, นาญาคือกลายเป็นนิพพานถ้าเราสังเกตุความหมายนี้เท่ากันเท่ากันกับข้อความที่ทรงแสดงไว้ในพรมจริยสูตรวนปริยาธรรมเหล่านี้เราจึงเจอว่าบางแห่งด้ซับไปเลย เพราะรเพราะว่าผู้ฟังในขณะนั้นกับผู้ฟังอีกขณะหนึ่งนะพื้นฐานเดียวกันแล้วก็เหมือนอะไรล่ะเหมือนกับเราไปสอนเด็กหมหนึ่งในส่วนใดของประเทศก็ตามฮะสอนวิชาเดียวกันตัวสูงก็เหมือนกันนะเนื้อหาวิชาก็เหมือนกันเราจรึงโมกว่าซ้ำก็ได้แต่ว่าคนมันซ้ำ พื้นฐานจริตอัตตาญาสายวา ส, สนาบา ร, รมีของคนมันซ้ํากันทำกันธรรมะก็ซ้ํากันมือก็หมอวางยาคุยคุยกับหมอคนหนึ่งก็ต่อมาเนี่ยเขาก็ลาออกไปก่อนเป็นหมอผู้ใหญ่แกบอกว่าหมอนี่ที่จริงตอนเรียนเนี่ยมันยากจริงแต่ตอนรักษาเนี่ยมันไม่ยากเพราะโรคมันซ้ซซซําๆำซากๆก็ไม่มีอะไรมากนะฮะโรคในเมืองไทยก็มีอยู่ไม่กี่อย่าง ันเวลาให้ยาจริงๆหรือตรวจโรคแล้วก็ให้ยาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องง่ายซึ่งก็ผิดกับวิชาบางอย่างเช่นว่าครูอย่างเงี้ยครูเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนเรียนเนี่ยค่ ะ, ะจะไม่ยากแล้วก็คนเนี่ยก็ไม่ได้คัดสรรมาอย่างดีเท่าไรหรอกเพราะคนแบบๆจริงๆนี่เก่งจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่มาทางครูแต่ครูจะไปเจอเรื่องยากอยู่ตลอดคนก็ยากวิชาความรู้ก็ยากความเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆเนี่ยก็ยาก เพาะในการศึกษาของเราจึงปิดฝาปิดตัวคนเก่งที่สุดมันน่าจะมาอยู่เป็นครูแต่กลับไปอยู่ในที่อื่นซึ่งไม่จําเป็นจะต้องไปแก้ปัญหาประศักอะไรที่มันรุงรังไปหมดเลยเนี่ยดังนั้นปริยายของธรรมะท่านบุกฟังก็อาจจะเจอบางทีก็ซ้ําไปเลยนะบางทีก็คล้ายกันบางทีก็เพิ่มเติมขึ้นบางทีก็ลดลงไปกรณีถือว่าปริยายหนึ่งปริยายหนึ่ง องค์ธรรมบางข้อก็ซ้ำๆซ้ำๆเยอะนั้นแหละขีดทีท่ก็อย่างนั้นเนจนความทุกข์ที่เกิดขึ้นแกเราเนี่ยเราโดยสรุปแล้วจิตเราไปยึดในขันห้านั่นเองจะนับความทุกข์สัทธาหลายก็ได้เราตัดความยึดติดได้มันก็หมดความทุกข์ลงไปแล้ะในปริยายนึงในปัญจมสูตรนะฮะภารวัคสังขันธาวารวัชสังยุตตินิยาย ก็รับสั่งเล่าเหมือนกันว่าพิสูจทั้งหลายครั้งก่อนแต่การสรัตรูเมื่อเรายังไม่ได้ดสัตรูยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ความสงสัยได้เกิดขึ้นแก่เราว่าอะไรหนอเป็นรสอร่อยของรูปอะไรเป็นโทษของรูปอะไรเป็นอุบายเพลิงพ้นไปจากรูปแล้วก็ว่ามาเรื่อยนะฮะถึงขันทั้งห้า คือเป็นการศึกษาอีกแนวหนึ่งเพราะว่าการยึดติดในอารมณ์ทั้งหลายในตัวรูปเป็นเรื่องใหญ่มากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภันะฮะที่ยิงรูปทั้งนั้นนะพระเจ้าถึงถึงพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าพระองค์ไม่ทรงเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณอันใดที่เกิดขึ้นแล้วครอบงำใจบุรุษได้ถ้ากรูปเสียงกลิ่นรสผลภัของสตี ในามศักดิ์สิก็มีลักษณะเช่นเดียวกันพระองค์ก็ไม่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสพุทธาผ่านใดที่เกิดขึ้นแล้วครอบงําใจศักด์สีได้ยิ่งกว่ารูปเสียงกลิ่นรสพุทธาผ่าของบุรุษเพระเรื่องนี้เลยเล ย, เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยเราอยู่ในกามโลกกามภพกามภูมิเพระนผู้กามภ พ, ก, ม พ, ม พ, ก, ก, มพก็ดีพวก้กามภูมิก็ดีนะฮะพูก้กามโลกก็ดีกามาวิจารภูมิก็ดีจิตมันจะไปกําหนด อารมณ์ด้วยความกำหนัดในสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์หรือพูดง่ายๆอีกทีหนึ่งว่าในนา ม, มารูปในขันห้าเนี่ยมันเป็นวิธีมองตรงนี้ก็คือวิธีมองสามช่วงมองในแนวที่เป็นรสอร่อยที่หน้ากำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยิน ด, ดีของรูปมันอยู่ตรงไหนแล้วก็มองในแง่ของอาชินอ ค, คือโทษโทษของรูปเนี่ยมันอยู่ตรงไหน แล้วเอารสอร่อยเอาคุณกระโทนมาเทียบเคียงกันพี่เราเรียกว่ากรรมมาคุณนะเราจะเห็นว่ากรรมคุณก็แปลอะไรสองอย่างแปล ว, ว่ากลุ่มของวัตถุที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหรือคุณของกรรมัวในแง่จริงๆมันก็มีคุณอยู่ระดับหนึ่งนะถ้าไม่มีคุณมันอยู่ไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าพอนามาเทียบเคียงแล้วจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นภายในใจว่า คุณมันน้อยนะแต่โทษมันมากอปาสาดาดุข้ากามมาอิติวิญญาจปันดีโตปัณฑิพิจไนว่ากรมนี้มีโทษน้อยมีคุณน้อยนะฮะแต่มีโทษมากเรื่องขันห้าถ้าเรามองในแง่ของความเป็นจริงนะธรรมะทั้งปวงยกเว้นยกเว้นนี้ผ่านยกเว้นที่สมบูรณ์จริงๆนะฮะยกเว้น พระอระหันตผลอรหัตผ ล, ลนะฮะอรหัตผลกับนิพพานหมายความว่ายกเว้นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพระสัมมาสัม พ, พุทธเจ้าพระปฏเจพุทธเจ้าพระอระหันต์กับนิพพานแล้วเนี่ยมันก็มีความเป็นสังขารปนอยู่แหละมากหรือน้อยก็ตามแม้จะเป็นโล ก, กุตระแล้วก็ตามเราลองตั้งกตนะพระประสวดาบันเนี่ยขึ้นไปเนีจึงเข้าสู่โล ก, กุตระแล้ว จะถามสมบูรณ์แล้วยังยังไม่สมบูรณ์นะครเพราะท่านยังต้องเกิดอีกยังต้องเกิดในสังสารวัตรอีกก็แสดงว่ายังมีโทษแล้วก็มีคุณของกรรมอยู่เพียงแต่ว่ามันละเอียดละไมมันลึกซึ้งสมัคคนทั่วไปก็ไม่มองไม่เห็นโทษหรอกใคล้ใยๆกับเรามองพื้นที่สะอาดด้วยสายตาธรรมดาเนี่ยไม่เห็นสิ่งสกปรกหรอก แต่ว่าถ้าเอากล้องจลุลทศนศมาสองดูตรงนั้นก็จะเจอสิ่งสกปลภจิตใจของพระบุคคลทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นวรกิเลส ท, ที่เป็นเนตรนำไปสู่ภพของท่านก็ยังมีูเพียงแต่ว่ามันลงตัวคื อ, อยังมากที่สุดนี่ท่านก็เกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาตินะระโศดะบันกฤษะปโซดบัตก็แบ่งออกเป็นสามประเภท ตอนนั้งการศึกษามองให้เห็นความอร็ดอร่อยของรูปที่ท่านเรียกว่าอิฐาการรันตามนาปาหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจเนี่ยของรูปเราก็จะเห็นถึงความเ ป, ปลี่ยนแัลงมีน้ามีนวลความเ อ, อสวยงามที่หน้าใคร่หน้าปรารถนาน้าพอใจในขณะนั้นเราก็เห็นว่าเป็นคุณน พผลการจะมองเห็นโทษในะอย่างนั้นเนี่ยมองไากแต่จิตใจของคนเนี่ยต้องยอมเขาเลยนะคือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเห็นโทษของลูกเนี่ยอเอ็นชัดเจนเรื่องอารมณ์ของของกรรมฐานอสุภัสกรรมฐานเนี่ยอสุภักรรมฐานก็คือดูซากศพแต่มีข้อแม้ว่าซากศพนั้นไม่ใช่ไปดูซากศพเพศตรงกันข้าม ถ้าเพศตรงกันข้ามมีข้อแม่อีกนะถ้าเพศตรงกันข้ามก็ต้องเปื่อยยุ่ยจนไม่รู้จักเพศแล้วแล้วก็วิธีการดูไม่ใช่ดูศพตอนใหม่ๆแต่ดูศพตอนใหม่ๆก็จะมีปัญหาจิตมันแ ป, ปรปลว้ดได้นะอันตรายนะฮะอย่างเมื่อพศ .2500 แต่ท่านผู้ฟังได้ติดตามข่าวคราวศา ส, สนาในยุคนั้นนะนะมันมีภาพอย่างหนึ่งที่มันแพร่หลายจังยังเข้าใจว่าพิมพ์กันเป็นแสนนั่นนะไปเจอที่ไหนเจอภาพเนี่ยเป็นภาพผู้หญิงแต่งตัวชุดราตรีสีกหนึ่งเป็นชุดราตรีเนะี่ยซีกหนึ่งเป็นโครงกระดูกแล้วก็เดินเกี่ยวก้อยกับภาพผู้ชายซึ่งชุดหนึ่งแต่งสูตร ชุดหนึ่งอีกไม่ใช่อีกซิกซิกหนึ่งเป็นสูตรนะะอีกซิกหนึ่งก็เป็นโครงโครงกะระดูกก็เดินเกี่ยวข้อยกันแล้วก็เขียนข้อความไว้ข้างล่างว่านาถิสังโอวิชาดันต์แปลว่าผู้รู้ไม่คล้องอยู่ข้อความเต็มนะฮะข้อความเต็มมาส่งแสดงว่าสูา่เจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุรัสชรดที่พวกคนเขาคล้องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่คล้องอยู่ พระก็วางข้างหน้าก็เพ่งเพ่งแบบอสุภะกรรมฐ า, าน น, นนะฮะเพื่อจะพิจารณาแยกในส่วนที่เป็นชุดราตรีกับส่วนที่เป็นชุดสูตรออกไปให้เหลือเป็นโครงกระดูกจะอย่าลืมมาภาพันห้าสิบหาสิบจิตใจมันไม่แข็งะงจิตใจไม่แข็งพอในสูตรก็ดูไปดูมาดูมาดูไปไอ้น้ำหนักทางกามมราคะเนี่ยมันเหลื เสร็จแล้วก็มองด้านชุดราตรีไม่ใช่ด้านกระดูกนะฮะกลายเป็นชุดราตรีสำหรับผู้หญิงก็กลายเป็นภาพสวยทีเนี้ผู้ชายก็กลายเป็นภาพหลอ่อเพราะว่าช่วงที่เป็นกระดูกมันก็กลายเป็นเนื้อเป็นชุดสุดก็เดินเกี่ยวก้อยกันที่นิจินนาการนะฮะต่อไปก็กลายเป็นจินตนาการแล้วเกียงการเพลินไปเพลินมาผู้ชายก็กลายเป็นถูกสมมุติเป็นตัวตนของตัว ผู้หญิงก็ปรุงไปปรุงมาก็กลายเป็นเจ้าสาวของตัวทีนี้ไปลเลยเรียบร้อยฮแต่เลยเข้าป่าไปเลยตอนนั้นพวกกรรมาฐานแตกเกิดขึ้นเยอะบางทีเดินทุดงเป็นร้อยๆนะฮะเหลือมาไม่ถึงห้าสิบองก็มีสึกหมดเลยผลเส้นทางสายนั้นเนี่ยนั่นคืออะไรคือไม่เห็นโทษไม่เห็นอาทีนบของโทษแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่ไม่เห็นอาิีนบของ ของรูปนะเห็นรถอร่อยของรูปเห็นนะัทธสาทะ ค, คือความน่ากัำนังพลิ้นชื่นชมยินดีของรูปแล้วก็ก่อให้เกิดความกำนัดความเพลิดเพลินตอนการมองรูปโดยสรุปเนี่ยในส่วนที่เป็นคุณเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เห็นแต่ว่าคุณมันน้อยนะช่วงสั้นๆ อย่างว่าร่างกายของเราที่ถือว่ากระปรี้กระเปล่าวสวยงามสะอาดสะอ้านหน้าจับหน้าต้องหน้าพิษสมัยมันต้องอาบน้าอะอาบน้ําอาบท่ามีการปรุงแต่งอบกลุ่ยของหอมต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยระยะสั้นนี้เนี่ยแต่แล้วมันก็แสดงอาการออกมาแนละ้คื อ, อยังเลือกเทียวเคียงว่าคนกับแมวเนี่ยต่างคนต่างไม่อาบน้ําด้วยกัน เอาสักเจ็ดวันเนี่ยคนไม่อาบน้ำเจ็ดวันแมวก็ไม่อาบน้ำเจ็ดวั น, นใครสะอาดกว่าจเจ็นว่าแมวสะอาดกว่าเยอะนะฮะแต่ไม่แต่สัตว์อื่นก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะร่างกายของมนุษย์เขาเรียกว่าปูติสันเดโคคือกายเน่าเป็นโรคนิทงังคือเป็นหลังของโรคเป็นประพังคุนังคือต้องเปิดอยเน่าปกติธรรมด า, าก็เป็นเช่นนั้น แต่ปัญหาสําคัญว่ามองยังไงให้เห็นเป็นอาทิโนบคือเป็นโทษของมันนะเขาสรูปแปลว่าสิ่งที่เสื่อมสลายเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับเรากล่าวโดยสรุปก็คือสิ่งที่เราสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดเดียวก็เป็นรูปเั่านั้นนะนะเพราะฉะนั้นเสียงก็เป็นรูปกลิ่นก็เป็นรูปรสก็เป็นรูปเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยก็เป็นรูปทํำยังไงจะดูให้เห็โทษ เพแนวพวกกรรมฐานทั้งหลายที่ทรงสอนในตอนหลังให้เราสังเกตนะครคือรูปนั้นใจมนุษย์ไปยึดแต่ยึดแยกก็มียึดรวมก็มียึดแยกนั้นท่านเรียกว่าถือโดยอนุพยัญชนะเช่นคนนี้ตาสวยจมูกสวยปากสวยผิวสวยอะไรแต่และก็แยกมาเถิดชิ้นเถิดชิ้นเถิดชิ้ น, นผมสวยก็ว่ า, าเรื่อยๆนะอันนี้เขาเรียกว่าอนุพยัญชนะ แต่มองโดยมายาการนะะมองโดยการปรุงแห่งกิเลสถามว่ามันสวยตรงไหนเอาสมมติว่าผมสวยเนี่ยสวยเวลามันผสมกันอยู่มันอยู่ด้วยกันแล้วก็มีการชำระสะสางกันมาอย่างดีแล้วนะถึงจะเกิดสวยขึ้นมาแล้วผมที่ว่าสวยเนี่ยพอร่วงมาเปบนอาหารนี่กล้ากินไหมนั่นคือแสดงให้เห็นว่าเอาจริงมันก็ไม่สวยเพียงแต่ว่า ใจมันถูกปรุงด้วยกมามราคะมาก็สวยสมบับใจที่ถูกปรุงอย่างนั้นอีกนันึองก็คือรวบรวบถือเรียก ถ, ถือโดยนิมิตกําหนดเป็นคนเป็นตัวเป็นตนตไปเลยะคนนั้นสวยคนนั้นหลอ่อคนนั้นงามอะไรแต่ละก็ว่ากันไปใจก็ปรารถนาขวายฟ้าต้องการเป็นความความจะเข้าจเจ้าของเข้ามาครอบครองสิ่งต่างนผลใจให้เห็นโทษเนี่ยมันต้องแยกมันดอกก่อน ภาพมองรวมก็ต้องมองในภาพของซักศพคือมองยากก็อย่างที่บอกว่ายัางพระของเราเนี่ย ท, ที่เด่นๆดังๆที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะแต่จะเห็นว่าคนที่ขนาดมองสาวเป็นศพเนี่ยก็มีพระพุทธเจ้าหนึ่งแนหะมีพระยาศาหนึ่งแล้วก็มีพระจิตตาหัตกะอันนั้นมองเมียเป็นศพนะมันก็มองได้ไม่กี่องค์หรอก แต่ว่าก็าไปบรรลุ ก, กรรมฐานไปบรรลุมรรคผลนิพพานจากเรื่องอื่นนะเพราะว่ามันต่อสู้กันมากระหว่างกิเลสกับธรรมะเนี่ยถ้าว่าธรรมะไม่แข็งจริงอย่าไปเสี่ยงอย่าไปเสี่ยงมองจากนั้นแนวกรรมฐานจะไม่ให้คนไปเสี่ยงเพราะว่าจิตใจมันอ่อนแออ่อนไหวใล้ายๆกับว่าเวลาเติมน้ํามันให้ดาบเครื่องรถเนี่ยอย่าเสี่ยง มันไม่ใช่ถึงจะจะลุกไหม้ไปทุกกรณีหรอกแต่ว่าไม่เสี่ยงไว้ดีที่สุดคือให้ปลอดภัยไว้ดีที่สุดจิตใจของคนเราก็มีลักษณะเดียวกันเพระาะฉนั้นเวลามองในรูปของปฏิกูลเคยมองเห็นในความเป็นปฏิกูลของร่างกายเนี่ยก็จะเห็นเป็นอาธินอคือเห็นเป็นโทษเป็นสมมติว่าเราแยกเราแยกร่างกายออกไปเป็นเป็นธาตุสี่เป็นที่เกาะกลุ่มก็ธาตุสี่ ลักษณะใดที่แข็งแข็งซึ่งปรากฏอยู่ในกายนี้เช่นผมขนเล็บความนันงเนื้อเอ็นกระดูกเยี่อในกระดูกมา้ามหัวใจตับปังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยก็นับไปเรื่อยๆจนถึงมันสมองนะเรามองโดยสีก็ดีโดยกลิ่นก็นดกีโดยที่เกิดก็ดีโดยการชุ่มแช่อยู่ในสิ่งเหล่านั้นแต่และอย่างแต่และอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสิ่งปฏิกูล ดำรงอยู่ท่ามกลางความปฏิกูลแล้วย่อยสลายออกไปยิ่งชัดเจนเรื่องความปฏิกูลยา่คล้ายเรามองการเลื่อนไหลของอาหารซึ่งหล่อเลี้ยงให้ก่อเกิดเป็นผมขนในความหนังแล้วก็มาอยู่กลุ่มเดียวกันนะฮะกลุ่มธาตุดินเดียกันก็จะเห็นว่าร่างกายของเรานั้นถูกหล่อเลี้ยงด้วยสิ่งปฏิกูลแล้วางกายคนอื่นก็เป็นเช่นนั้น มีการไหลข้าวไหลออกอยู่หนึ่งนิดอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระนางรูปปนันฑาเทวีมีการไหลข้าวไหลออกเปองสอนห้มองถึงความจริงเพื่อจะถ่ายถอนความกาความเพืิพ่ดเพลืนดินดีในจริงแถวนั้นต่อไปก็เป็นการหาทางออกคือมองว่าอะไรเป็นอุบายเครื่องพ้นเครื่องพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้ ว่าสิ่งเหล่านี้ที่จริงมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนะมันอยู่อย่างที่มันอยู่เราไปคว้ามันเองไงนะยันตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนว่าชายหนุ่มกับหญิงสาวนะมันเริ่มจากไม่รู้ใครเป็นใครน่ะไม่รู้จักไม่เคยเพราะเคยเห็นกับมาก่อนมาพบกันตอนหลังพบกันตอนที่ตัวเองก็โตกันด้วยกันแล้วนะแต่ลองสังเกตว่าใจมันไปกำหนดด้วยความกำหนัดแล้วมุ่งตอบสนองความต้องการของตนคือบางทีก็ทั้งสองข่าย อาการหนักจนลืมพ่อลืมแม่เลยก็เรียกเมากายลืมแก่เมามียลืมแม่เน่ยแก่แล้วอย่าเมาเห็นไหมฮะเพราะว่าพ่อแม่เราไม่ได้ปรุงท่านด้วยความเคารพเื้อทุนด้วยความกำหนัดด้วยความกำหนัดอ่ะหมายความเราปรุงนั่นแหละแต่ว่าปรุงด้วยกระแสธรรมะที่นี้กระแสธรรมะมันถูกประทะด้วยกระแสกิเลสกระแสธรรมะไม่แรงพอบางทีก็ต้านทานไว้ไม่อยู่แต่ว่าในแนวของ ความกำนัดความเพื่อเพลินยินดีในรูปร่างกายเนี่ยเราถูกปรุงด้วยความกำหนัดกิเลสมันมันได้ทางนะครับมันไหลลงตามมันไหลไปได้เต็มที่เลยว่ามันสวยไปหมดดีไปหมดอดกลั้นอดทนไปหมดบางคนเนี่ยมันเสียสภาพไปเลยนะถูกควบคุมซสกงอเมียเลยหน้าเอ็นดูมันก็ลูกแมวเชื่องเชื่องตัวหนึ่งอุตส่าห์เกิดมาตั้งทีนะฮะ กลายเป็นคนที่ถูกควบคุมด้วยแรงของซิเนหาซีเนหามันเป็นเยื่อใยมันเป็นยางเหนียวมันผูกรัดจิตใจของมนุษย์เอาไว้แล้วก็ทำไม่ยอมสยบคล้ายๆกับพวกยาเสพติดไปสยบกับมันแล่ในที่สุดเขายาเสพติดเนี่ยมาขูนะ่จะไม่ให้เสพไม่อะไรตอะไรอู้มันก็ไปกัน เันาะถเราเห็นโทษไม่ชัดแล้วก็ไม่คิดจะออกไม่ได้คิดจะออกคือมันจะสยบติดอยู่ในตรงนั้นเองบางครั้งไปออกยังไม่ออกเราเรียกว่าเป็นทา่าที่ปล่อยไม่ไปเป็นทา่าของกิเลสไม่จะเป็นทา่าเขานะที่เป็นทา่าใจตัวเองไงใจตัวเองเนี่ตกเป็นทา่าของกิเลสแล้วก็ปรุงคิดคิดปรุงได้สวยงามกำหนัดเพลิดเพลินได้สมยินดี นั่นคือไปมองในแนวรถอร่อยแล้วไม่ได้มองในแง่โทษพอพอพอถึงโทษขึ้นมาอธิบายแก้ต่างให้เสร็จเลยเราก็ยิ่งไม่เห็นใหญ่พอไม่เห็นใหญ่ในสุดก็ไม่คิดทา ง, ทางออกก็กลายเป็นกระบวนการที่เหมือนกับน้ำบุญเมื่อคนตกลงไปในน้ำบุญก็หมุนบุญอยู่ในเรื่องแบบนั้น เพราะอันตรายคือน้ําบุญที่ส่งแสดงว่าเหมือนกับคนตกลงไปในน้าบุญเนี่ยก็คือพวกกรมคุณนี่เองกรรมคุณก็กำนัดเปิดเพินชื่นชมยินดีหมุนบนอยู่ในพวกกรรมคุณเนี่ยรูปเสียงกลิน่นรสผลประภะน่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจไขว้คว้ากําหนัดชื่นชมยินดีเปิดเพลินสนุกสนานอยวู่กับสิ่งเหล่านั้นดังนั้นเรื่องเหล่านี้จึงส่งมองเฉพาะในกรณีนี้นะะ มองถึงรสอร่อยของมันมองถึงโทษของมันแล้วตอนนี้ต้องเอามาเชียบเคียงแล้วต้องเห็นโทษชัดกว่ารสอร่อยนะฮะถ้าโทษยังไม่ชัดรสอร่อยยังมากกว่าแล้วไม่ต้องพูดเรื่องทางออกงานตรงนี้จึงต้องแยกแยะได้อย่างชัดเจนก็แสดงว่าปริมาณปัญญาต้องสูงมากพอั้งฝั่งทั้ ง, ง, งหลาย แต่รวงประพุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง อ, องามไผ่บูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี